วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2537 เป็นการบรรยายพระอภิธรรมเบื้องต้นเรื่องโทปาวจน์วิบาก 5 รูปภาวะจรวิบาก 5 นั้นแสดงว่าจิตที่เป็นผลของรูปภาวะจรกุศลซึ่งเป็นจิต 5 นั้นบางทีก็เรียกว่ารูปชาญวิบากหรือรูปชาญวิบากจิตในวงการศึกษานั้นมักจะเรียกชื่อ <c oughs> จิตเวทนาจิตที่เป็นผลของรูปฌานอาจจะเรียกเป็นอย่างเดียวกันว่า จิตก็ได้ก็ได้คือเป็นวิบากจิตจึงเรียกว่าเหมือนอย่างที่เรียกมหาวิบากหรือมหากุฏฐนิบาตจิตนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องชื่อจิตขึ้นไม่ยากแลสําหรับในที่นี้การเรียก ฌานฝ่ายกุศลเป็นกรรมฝ่ายกุศลเป็นภาวนากรรมในฝ่ายของสมถภาวนาและว่าประการที่ รูปประชาณกุศลทั้งโดยองค์และโดยคือเอ่อผมคงต้องย้ําอีกครั้งนึงว่า <c oughs> ก็คืออกุศลชาติคือจิตที่เกิดขึ้นโดยมีสภาพเป็นอกุศลได้แก่อกุศลจิต 12 นั้นเป็นชาติ อีกชาติหนึ่งคือวิบากชาติวิบากชาตินั้นคือผล ส่วนกิริยาชาติซึ่งเป็นชาติที่ 4 นั้นจะปรากฏเป็นกิริยาที่ไม่บุญไม่บาปแล้วก็ไม่ใช่ ง่ายๆว่าฌานที่เป็นกุศลนั้นเป็นฌานในส่วนเพศ ไปเกิดด้วยฌานนั้นปรากฏถึงความเป็นวสิอีก อันจึงจะเป็นวิบากฝ่ายมหากุศลนิวิบากฝ่ายชาญก็จะตกอยู่ในสภาวะสภาพวิกายกันอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะใช้ความพยายามทําให้เป็นอย่าง บ่อริกรรมที่จะทําให้วิบากอย่างเกรดอย่างนี้ตามใจชอบนําไม่ได้ที่ผมต้องใช้คํา บางมันก็ยังเกิดอีกนั้นนอกจากมาพยายามพยายามจะไม่ให้เกิดมัน กรรมอุกรรมนั้นต้องมีกําลังอุดหนุนในรูปอย่างใดหนึ่งแล้วก็มี <c oughs> <c oughs> ไปตามมาวัจรบาทก็แต่มีมีภรมบางพวกอาจจะทําความปรารถนาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดแล้วเหมือนกับผมจะพูดลมเอากัน ในความเป็นมนุษย์ในความเป็นเดี่ยวดาและเมื่อจะตายก็ทําความปรารถนาตามความปรารถนาคือทําอธิการกว่าเราจะขอไป ไม่จะเกิดในภูมิที่สูงกว่าตามความปรารถนาอันได้โดยไม่ยากไม่ลําบากอันนี้ โทษสมิบาบนั้นคือคือไม่รับนะฮะอันนี้ก็รู้ อันๆในโลกเนี่ยเนี่ยเป็นอันมากได้ความรู้สึกอันหนึ่งนะว่าไม่จําเป็นนะคือเพราะสิ่งเหล่านี้มัน ของหลายๆอย่างนั้นไม่จําเป็นวัตถุการในไปเป็นต้นเป็นและเป็นโทษอีกส่วนคือไอ้ที่ เรเรเราก็รู้สึกว่าไอ้นู่นนี่มีค่าแต่ถ้าหาว่าคนมีความ ประกาศว่าเค้ามียารักษาโรคเอสได้ใครที่อ่านข่าวนี้แล้วต้องเป็นเองต้องกินเองถึงจะได้ห้ามเอา ปรารถโลกกิเลสคือมีคุณธรรมสูงเนี่ยเขายิ่งมองวัตถุในโลกนี้ไม่จําเป็นซะ เราใช้ในลักษณะเกินจําเป็นใช่ไม่ใช่แต่พระชัยนั้นท่านใช้เท่า ละท่านถึงมองเพราะอะไรก็เกินจําเป็นอะไรก็ไม่จําเป็นแล้วก็อะไรที่ล่ะท่านเห็น อะไรที่มีประโยชน์บ้างแต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้ถึงขนาดนั้นมันก็เกินจําเป็นและอะไรคือวัตถุกาม แล้วก็เราก็ไม่ต้องมานั่งได้แปลกใจว่าทําไมท่านถึงไม่คิดเหมือนเรา อันนี้ก็โดยพูดไปถึงทั้งโดยองค์และโดยอารมณ์ส่วนตรงนี้เรา มีคำพูดถึงกรรมอย่างที่เราทําร่วมเป็นเครื่องเทียดให้เห็นชัดเจน ฟังดูแล้วมันเหมือนไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะมัน ทีนี้เจตนาของเราเนี่ยมันเป็นตัวกรรมอารมณ์เป็นถ้าว่าเราตั้งเจตนา มันไม่มีอารมณ์นะไม่มีอารมณ์เลยชวนให้นี้เราตั้งเจตนาว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์แต่ไม่ได้นึกถึงไม่มี ไม่เกิดอารมณ์เจตนาไม่มีผลหรือพูดว่าฉันปฏิบัติธรรมฉันปฏิบัติอ่ะ วิบากเกิดเนี่ยเกิดทั้งจิตเจตนาที่เราเกิดไว้เนี่ยมันมีผลที่จะทํา ซึ่งสิ่งที่เราได้ทําไว้เราพูดในภาษากรรมแต่ผู้ในภาษา เป็นวิบากไว้อันนั้นแปลว่าเราได้ตัวจิตมีปัญญาแต่ว่าเนื่องจากเป ไม่เจอหมอดีสักทีเจอหมอดีก็ไม่เชื่อหมออะไรอย่างงี้น่ะเค้ามีแต่กัดแคะพี่จะทําให้ไม่ สมุนปานไม่ขัดเครื่องด้วยปัจจัย 4 ก็เป็นตัณหาแก่บุคคลนะนี่คือในปัญญาวัตถุปัญญาเจริญในๆไว้เยอะปัญญานั้นได้เกิดกับบุญกิยา ก็เป็นคนที่ได้ทุกสิ่งรู้อย่างมากได้ มันเช่นเราบริจาคยาขนานนี้ไว้เมื่อชาติก่อนเรามาเกิดใหม่ก็ได้ยาขนานนั้นมากินเองยาหมดอายุแล้วกินไปได้ที่จะหายเออถวายถ้วย ได้ได้เครื่องเครื่องอะไรความอะไรเงี้ยก็ไปชวนหน่อยได้ของกลับแต่ว่าไอ้กาหมอจาริบัตินี่มันไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ พอไปเกิดจานใหม่ก็เป็นคนที่มีอภินิหารทางได้ของเก่าเดี๋ยวมีใครก็ที่ต่างๆบังคับก็มี อย่างอย่างเจ้าคุณเจ้าคุณนําวัดสงฆ์มนัสที่เนี่ยคุณได้เป็นคนที่มีบุญใน นี่ก็เลยจะเป็นคนที่ที่ให้ด้วยประการต่างๆให้เปล่าๆบ้างหรือเอ่อให้ <ๆ. S 1> เปลี่ยนหน้าไปเป็นนั้นหนึ่งเก่าจริงๆก็มันคนละชิ้นกันเพียงแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นชิ้นนั้นก็ได้มันก็ที่แน่หนดงั้น อารมณ์มันก็ลดมันก็ขึ้นอะไรต่ออะไรต่างๆได้มันลดลงมาเหลือ 8 ก็เพราะว่า ทำให้เราเรียกว่าบกล่องลงไปกุศลละบกล่องลงไปอย่าง <เอ อ. S 1> ทำอย่างไรไม่ได้อย่างนั้นทั้งจิตเพราะ 1 กําลังในกําลังของกุศลนั้นไม่แน่นอนที่ไม่แน่นอนก็เพราะมีเหตุปัจจัยที่ มีโอกาสก็จะได้นําเรามาพูดให้ 2 นะฮะนะ 1 กําลัง 2 กิสภาวะปัจจัย ไอ้ 2 อย่างนี่แหละครับที่ทําให้จริงๆมันเกี่ยวข้องกันเมื่อกี้ผมพูด ทำลังมันแหลนอย่างนั้นเมื่ออื่นๆที่จะมาเป็นตัวทําให้ชานนั้นให้ผลในลักษณะลดคุณภาพ ผู้ชายเค้าก็เอากันมีก่อเป็นกรรมเลยเดี๋ยวกูจะพูดให้เห็นอีกทีในเรื่องของอุปจาระของอะไรต่างๆที่อยู่ในข้อหลังนะจะชัดในคอดิวงกําลังพูดถึงตรงนี้คือไม่เอาก็ไม่เอาเลยเนี่ยคือลักษณะของคนใจใหญ่นะเอาก็เอาหมดเลยเอาก็เอาเยอะๆเอาให้เป็นเป็นเลื่อนเป็นลาวไป ตกใจถึงเพราะฉะนั้นคนลักษณะอย่างเนี้ยมันก็ถึงว่ามันมีสภาวะเสี่ยงสูงเหมือนไม่ถือว่าล้มละลายเลยไปพรหมโลกไม่ เนตาตํารขสะเววิบากเนี่ยเค้าเค้าเต็มเม็ดจํานวนครับนะมันจะคือเสวยวิบากอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคราวเราแล้ว มีวาซะว่าเออดีไอ้ความดีเราบางทีเลยเป็นจริงๆแต่ไม่ว่า แล้วก็มองนี้เนี่ยร้ายอย่างทีคนก็ไม่กล้ามาแตะ ความชั่วดีหรือก็เลยบังเอิญเขาบอกเออไอ้ความชั่วบางอย่างมันก็เป็นอย่างที่ว่าความดีบางอย่างก็เป็นอย่างที่ว่ามัน หลังๆเนี่ยมีล่าอหันก็มีอุตริยจนก็มีออกนอกวันแล้วให้พระเฝ้าวัดเฝ้าแลเฝ้าลมเฝ้าหลวงตากลัวหายเราอ่านแล้วกันเอ๊ะ <c oughs> จะพูดถึงในส่วนของอารมณ์ว่าเมื่อคนธรรมฌานทำแล้ววิบากจิตนั้นเมื่อฌานกุศลมีสภาวะเป็นอย่างไรอ่ะมีเนี่ยองค์ฌาน แล้วฌานนั้นได้เพ่งอารมณ์อะไรเพ่งก็ 40 จริงๆได้ 30 เท่านั้นก็จะเป็นอารมณ์ของ เป็นอัปปนาแน่ๆเนี่ยมีความแน่แน่นเนี่ยเพราะมันแน่นตั้งแต่เป็นๆทีนี้เมื่อเอาเราเอามาคิดกับเรานี้มันก็จะมีค่าอะไรเรามา ที่ท่านอยากจะตอบแต่ถ้าเราไม่สงสัยเสื้อถ้าเราว่าเราทําเนี่ยทําด้วยปากกาปัสสติแต่ไม่ได้ปากกาด้านดองกับข้าวอะไร ทำเดี๋ยวเดียวแปลว่าเวลาปวดลําเยอะปานน่ะเราใช้เวลาโหกลมน่ะเดี๋ยวเดียวใช่มั้ยไม่ต้องมาโนดน้อมก็ต้องหมมในเดี๋ยวเดียวครับเจ็บหายมั้ยเดี๋ยวเดียวไม่หายไม่ใช้เวลานานอันนี้ ต่อมาไปทําฌานครับมันไม่ได้เลยเลยมันก็ ผมจะลองกลับมาเทียบกับนักปฏิบัติเห็นนามเห็นท่านได้ปฏิบัติเนี่ยแล้วตอนท่านไปก็หิ้วกระเป๋าไปปฏิบัติกลับมานะมีก็ไม่ได้มี เงินติดตัวไปเยอะกว่าหากลับมาน้อยลงมันควรทําก่อนด้วยการทําบุญหมดเราจะทํายัง <parle> มีความไม่หือมีคุณค่ามากถ้าอารมณ์นั้นยังถึงแม้ถึงญาณสติเราก็อยู่อารมณ์นั้นก็อยู่ว่าใจหายใจหายอารมณ์หายเหมือน มันเหลือแต่ในจินตนาการความจําได้หมายโรคความๆดีพอมันๆมันก็เข้า ตามจริงๆอ่ะฟังแล้วเนี่ยมาได้อะไรไปกลับผมไม่อมเหลือไม่เท่าได้ก็ได้ชี้ที่เห็นได้ไม่กี่นะแต่วิธียังต้องใจได้ ถ้ามันไม่มีคุณค่าจริงเนี่ยเรา คนที่มีสติปัญญาดีมีคุณความสามารถทางจิตสูงก็มันก็เหนียวแน่นค่อยๆกันนี้เราไม่ได้พูดดูถูกอะไรกันเพราะแต่ เรเรเราก็เอาไว้เอาไว้เป็นหนุ่มเป็นสาวใหม่ไปเรียนใหม่ก็ได้ ในในสมัยที่เรายังไม่ยังไม่ได้เนี่ยเราต้องใช้แห่งแห่งความตั้งใจเจตนาส่วนแห่งบริกรรมที่คอยต้องรักษาไว้เนี่ยในฌานก็ <c oughs> วิปัสสนายังไม่ถึงมรรคผลก็ต้องรักษาอย่างนี้เหมือนกันต้องรู้จักรักษา และเป็นเครื่องรับประกันเราเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในส่วนลึกของๆว่าตัดสินจะทําฌาน อิสมบัติตัวถ้าจะประสงค์จะเอามาบรรดาตกแต่กรมๆบางพวกเนี่ยก็บางทีก็ประมาทเสียได้เหตุอื่น ตัวฤาษีผู้มาทั้งหมดเนี่ยสมมุติเป็นบัญญัติจริงแต่สมมุติอย่างนี้ไม่ นิมิตอย่างนี้ตั้งได้ด้วยความพยายามทาง 2 คือเป็นวิบากที่มีฐานะเป็นอุปัจฉเวทนียะผมไม่ได้แปลภาษาไทยไว้เป็นคําคุณๆแปล แปลงตายพูดว่าชาติที่ 2 เฉพาะชาติที่ 2 เท่านั้นข้อนี้น่ะหมายความว่าคนที่หรือขอให้ชิมล่วงหน้าวิบากชิมล่วง นิพพานละก็จะเพราะชาตินั้นเท่านั้นด้วยไม่ ก็คือว่าไอ้ที่มันๆอธิบายถึงภูมิต่างๆแล้วจะจะชี้ให้เห็นบ้างแต่จริงๆเหตุปัจจัยที่ว่าเลี่ยม นะที่ว่ามันพิเศษไม่ใช่ธรรมดาไม่เป็นที่แล้วคนนะมีมีอะไรต่อมี เป็นอนิสงส์ไม่ใช่วิบากนะเป็นไม่ใช่กสอทั้ง จะต้องอยู่ไปจนสิ้นอายุของกรรมเดิมกรรมใหม่ 3 เคลื่อนไปไม่มีกับกรรม นั่นจึงบอกว่าเป็นอโหสิได้ที่เป็นอโหสินั้น 3 แล้วก็ 1 2 3 ถ้าได้ 3 และ 1 ฌานที่ 2 เป็นอันอโหสิ ก็เราได้อาศัยเป็นบาตรขึ้นไม้เกินมานะเวลาเราสะวิบากแต่เวลา 1 ชั้นมามา 2 มาได้ก็เรียกว่า แต่เราก็อาจจะทํามากุศลที่เป็นดวงที่ 1 แตบ้างดวงที่ 8 บ้างยานนี้ประยุทธ์บ้างโสมนัสบ้างอุเบกขาบ้างปนวิบากชั้นสูงอยู่งั้นพวกนี้ก็อ่าเหมือนกันอย่าง <c oughs> พูดถึงฐานะตำแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่าว่าเกินของที่น่าเสียดาย ข้อ 3 เป็นวิบากที่ทํากิจ 3 อย่างเท่านั้นปฏิสนธิที่ภวังค์อยู่ติอารมณ์จิตไม่อยู่ในบริเฉทที่ได้หลาย อาจจะเป็นก็ได้ที่ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องใน 5 ดวง แล้วก็ยืนไปโดยลําดับไปจนตายตอนตายก็ทําหน้าที่จุติหลักเวลาจิตตกกระแสภวังค์นี่ก็เป็นอย่าง อย่างที่ตัวเองได้ว่าคนคนนั้นทํา อันนี้ก็พูดเป็นภาษาวิชาการหมายถึงว่าเมื่อเราบรรลุฌานครั้งแรกเนี่ยๆน่ะคนพอแรกทํานึงก็ต้องเพ่งอารมณ์นะก็ แต่ก็โดยมากจะทําอันใดอันหนึ่งแล้วก็บรรลุได้อันนั้นพอบรรลุอันนั้นแล้วก็ อรูปภูมิในนี้ใช้คําว่าพรหมภูมิ 15 เนี่ยหมายถึงรูปพรหม 15 พรหมภูมินั้น 20 ชั้น 20 ชั้นก็ตัดบึ้ง 4 ชั้นอรูปภาวะต่อคือภูมิที่ 4 เหลือ 26 ใน 16 นี้ไม่เอา วันนี้เรากําลังพูดถึงวิบากนะคือคนที่ทํารูปฌานเนี่ย 15 ชั้น 16 ชั้นน่ะก็โทษแต่มีอยู่ชั้นนึงคือภรมที่ชื่อว่าวิบาก ฝ่ายรูปาวจรนิบาตจึงไม่ปรากฏในภูมินั้นกลุ่มพวกนั้นๆหมองนิ่งอยู่เฉยๆนอนนิ่งอยู่เฉยๆไอ้เดรนตลอด 500 กัป ก็เหลือ 15 ที่เป็นพรหมฝ่ายปัญจโวการภูมิคือภูมิ 5 คือประกอบทั้งรูป 16 ชั้นใน 16 ชั้น ก็มีปฐมฌานภูมิ 3 ทุติยฌานภูมิ 3 ตติยฌานภูมิ 3 นะแต่ว่าที่ อารมณ์ธรรมทั้งหลายเนี่ยเราก็ได้เคยได้ยินชื่อมาแล้วแต่ 3 นั้นมีพระบริสัจฉาพร นี่ก็พูดครบคร้วนโดยย่อโพโรหิตาเป็นพรหมรองเทวะเทียบเหมือนกับมนุษย์เป็นพรหมที่ปรึกษาเป็นพรหมใกล้ชิดมหาพรหมมา เกี่ยวข้องกันมาแต่อดีตก็มากันในชีวิตของความเป็นพรหมเป็นหมู่เป็นกนกอันนี้ก็จะเห็นว่าพรหมเบื้องต่ําเนี่ยมีสภาพของความครุกเครียเหมือนกับกามวิสัยน่าจะต่างๆแม้ว่า จึงจึงชอบการครุกคลีมีพวกเราเคยผ่านวัสดุจึง มีสภาพที่เรียกว่าใกล้กับกามวิสัยฉะนั้นเรื่องการคลุกคลีด้วยหมู่ที่เอ่อการ ฝ่ายทุติยฌานภูมิ 3 ทุติยฌานภูมิ 3 นั้นก็ประกอบด้วยปริสถาภาหรือเน้นในเงี้ย ในการบกพร่องแบ่งในลักษณะอย่างนั้นแต่ทุติยจารย์ภูมินั้นเน้นในทางสรีระเน้นในทางสรีระสรีระนั้นก็คืออาภาคือแสงสว่างปางจริงโพธิวาทานี่ก็มีรังสีมี อ่าพรหมชั้นสูงกว่ามีอัปปมานาภาเป็นต้นอัปมานาปานะมีแสงด้วยเป็นด้วยธรรมดา อาภาสลานั้นเป็นการกล่าวถึงอาภาบวกสละสละนั้นหมายถึงส่านอาภามีแสง นะเช่นที่เฉพาะประเด็นที่เราเห็นได้อย่างนั้นหรือคน ทุกขุมขนอันนี้ไม่ได้พูดถึงระยะของว่าอภัสราภ์เพราะอะไรท่านบอกว่าอภรมชนะอภัสรา แล้วเป็นตัวเปล่งแสงออกมาเป็นตัวเปล่งแสงออกมาปิติว่าอภัสสระมีแสงสว่างออกจากสรีระทั่วด้วยมากงั้นปิติถึงอ่าปิติที่เป็นฌานใหม่ในขณะนั้นด้วยต่อไปนะครับปฏิญาณ ตติยสุภาก็เป็นเรื่องของความหวานความสวยนะสุภาหมายเอาความสวยคือเล็กน้อยเล็กน้อยคือน้อยกว่าที่พวกทรมสูงกว่าอ่ะประมาณนะตติยา <femme> สุวัฏีหมายแปลว่างามทั่วร่างกายงดงามทั่วร่างไว้เราก็นึกภาพ ในตุกกนัยนะครับไม่ใช่ปัญจกมนะบัญญกนัยเวหัปผลาเวหัปผลาเนี่ยแปล แท้เหตุการณ์ปกติวิสภาวะปัจจัยอย่างธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะ 3 อย่างเนี่ยชมจะเกิดโลกาวินาศหมายไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์แต่โลกลมมนุษย์โลกด้วยขึ้นอ่าถึงสุภากินหาเสื่อมหมดๆว่าถ้าไม่ ความมลอชันต่ํานั้นจะไม่เคลื่อนไม่คลายจากรูปาวจรนิบัต ว่าเพราะว่าคนที่ได้ฌานที่ 1, 1 ถึงฌานที่ 3 กรรมยังหวั่น ในทางระภาวะจิตซึ่งเป็นลักษณะกรรมพิเศษคือมั่นคงทางอุเบกขาในทางสมาธิเป็นหลักถ้ามั่นคงในทางธรรมเนี่ยเอาอุเบกขาหรือเป็นหลักในทางวิปัสสนานะอันนั้นไม่ได้เอาเวทนาเผาะว่าในทางวิปัสสนาเนี่ยอุเบกขาของวิปัสสนานั้นเป็นเครื่อง ต้านกิเลสเป็นสําคัญไม่หวั่นไหวกับกิเลสเป็นงั้นกันไม่ ต้านกิเลสด้วยกิเลสอย่างที่เป็นของฌานแล้วก็ จึงเสวว่ามั่นคงหมดแล้วก็เลือกภูมิที่มั่นคงภูมิแรกนั้น 500 กับเวหัปลาก็ 500 กับเหมือนกัน